الله ขอความสันต um ah uh. ิ ความจำเริญจาอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัฟซิดในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้นะครับยังไม่จบนะอยู่ในอิระอันอิสราะอยู่อายาที่แปสิบถึงอายาที่แปิบส นะครับอันอิสรออายะที่80ถึงอายะที่84นะตั้งหัวข้อว่าเมื่อความจริงปรากฏนะครับแป๊บหนึ่งนะครั บ, บาที่การปตของอน่ อ, น อ, น อ, นอ่านะครับ ในอายะห์ที่8ปิอัลลอตรัสไว้ว่าวักลุลตัวนี้เนี่เป็นเป็นดูอานะครับนำมาขอได้นะวักลุลและจงกล่าวว่ารอบบีรอบบีนะที่นี้คือรอบบีโอพระผู้อภิบาลของฉันอดคินนีมุคลดกินได้โปรดให้ฉันให้เข้าไปนำทางฉันให้เข้าไป มูดคอนลาซิดกินไปในทางเข้าที่ชอบทำนะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเข้าออกมันยังไงหัอาเกริจนีและก็ได้โปรดนำฉันนี้ออกไปมุดคอนยาซิดเกินในทางออกที่ชอบทำวัจจัลลีและโปรดทำให้ฉันนี้มินลัดุนก้า นะพระองค์แล้วทำไมเอยสุ่มตอนนั้นนาซีรอนะได้รับทั้งพลังและก็ความช่วยเหลือจากพระองค์ที่บอกว่าเป็นดูอาดูอาอย่างไงนะครับกอาเนี่ยใช้คำว่ามุคคะลาซิดกินกับมุคคะยาซิดะกินทางเข้าที่ชอบทำและก็ทางออกที่ชอบทำในที่นี้เนี่ยนันตเ์เมเอธิบายว่าหมายถึง การงานต่างๆมีการเริ่มต้นแล้วก็มีจบเหนือออกมั้ยสมมติว่าเราขายของเนี่ยนะครับขั้นตอนในการเตรียมการเนี่ยเป็นมุตคลละเป็นการเริ่มต้นหาทำเลลงทุนนะครับเตรียมสินค้าน่าทาป้ายนะครับแล้วก็ตอนที่ขายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาผลกาไรแบบนู่นแบบนี้แล้วเป็นมุครายาเป็นตอนจบ นี่ตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าการงานนะ่มีตอนเริ่มต้นและก็ตอนจบดูอาบทนี้เนะี่ยขอต่ออัลลอ์ว่าแม้ว่าฉันจะทำการงานใดๆกันแล้วแต่ทั้งเริ่มและจบให้มันจบแบบซิ่ตกินแบบชอบทำแบบดีๆแบบมีความจำเริญอยู่บนศัจธรรมนะถ้าต้นก็ดีทำไมเอ่ยปลายก็ดี ตรงกลางมันก็มีแนวโนบสูงที่จะดีไปด้วยนะครับตัวอ่าบนนี้คนถามว่าอาจารย์ไปขอตอนไหนขอได้ทุกการงานเลยนะครับอย่างตอนนี้การงานของผมเนี่ยคือประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มต้นสอนนะผมก็มองว่าเอ๊ะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นดีๆบางคนเวลาพูดเนะี่ยเริ่มไม่ถูกนะเนื้อหามีเกะมีเยอะพูดเก่งเริ่มต้นเริ่มไม่ถูก วนไปวนมาบางทีก็วันนี้ก็มาได้เตรียมตัวมานักนะวันนี้ก็รถติดผู้ร่วมที่บ้านหาที่เริ่มไม่ได้แต่เวลาเครื่องติดแล้วพูดดีนะครับบางคนก็พูดเก่งแต่เวลาจะจบประวุณสามรอบประวุไม่ลงผมก็เป็นเหมือนกันพอจะจบไปห้านาทีวนวนว น, วนหาที่ลงไม่ได้สักทีนะครับพอจะลงเอาไปลงเรื่องอื่นนะสมุทิในการพูดก็มีการเริ่มต้นแล้วก็มีการสรุปจบ การขายของเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วแล้วก็การงานต่างๆเช่นเดียว ก, กันกับชีวิตพี่น้องนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายหลายคนได้ต้นทุนที่ดีมากนะครับเกิดในครอบครัวที่ที่มีศรัทธาในสภาพแวดล้อมที่เวลาจะเรียนก็อ่านก็ไปใกล้ๆบ้านเนออกมาจาะละหมาดก็เดินไปไม่ไกลแล้วก็อยู่ในชุมชนซึ่งทำไมเอ่ยมุสคาลซิดกินเริ่มต้นดี เริ่มต้นในชีวิตเนี่ยดีเลยตอนนี้ที่ห่วงคือตอนจบของชีวิตจะเป็นยังไงนะครับดูอาบ น, นี้ใช้ได้ทุกกับการงานนะฮะว้จอัลลีมินะดุลกัสุนตอ น, นันนะซีรอนอกจากขอให้เข้าดีออกดีนะครับเริ่มต้นดีจบดีแล้วทำไมเอ่ยขอต่ออัลลอ์ว่าให้มีพลังให้มีความสามารถให้มีกําลัง สุนตอนตรงนี้เนี่ยอย่าแปลว่ากำลังทหารกำลังอาวุธอย่างเดียวนะครับให้แปลว่าความสามารถก็ได้ด้วยความสามารถมีหลายด้านนะนะครับความรู้ก็เป็นความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ก็เป็นความสามารถเหมือนกัน ไม่ได้ทำไ ด, ได้ทุกอย่างนะนะครับคนพูดเก่งกออ็ขับรถไม่เก่งนะครับขับละง่วงคนขับรถเก่งขายของไม่เก่งคนขายของเก่งพูดคุยกับผู้คนไม่เก่งความสามารถมีแหลมมีหลากหลายแตกต่างกันไปสุนตอนตัวนี้ขอต่อรอครับการงานที่เริ่มต้นดีจบดีเนี่ยขอให้เรามีความสามารถที่เหมาะสมกับการงานนั้นด้วยนะซีรอแล้วก็ขอความช่วยเหลือจอากอัลล นะครปะสังที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่ทำอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเลยเราไม่คาดคิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นมองข้าวาว่าเราจะทำอะไรสักอย่างจะปลูกอพาร์เมนต์เนี่ยนะครับคิดว่าลงทุนง่ายๆมีเงินมีที่ปลูกเสร็จสิ้นเดือนก็เก็บค่าเช่าสบายสบายใจพอทาจริงไปๆมาท่อปปาตัน ตัวเองก็ซ่อมไม่เป็นไปมาเอาคนเช่าห้องทะเละาะกันไปมาโอ้โหหลายอย่างไปหมดฉะนั้นทุกอย่างมีอุปสรรคทั้งหมดเราขอต่อร้อนว่าไม่ใช่เฉพาะความสามารถที่เรามีเท่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ขอนาซีรอขอความช่วยเหลือด้วยอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้อลลอฮฺรับคลี่คายด้วยกับความง่ายดายเป็นอุอาได้เลยครับเนี่ยตัดควักุนไปนาวักุนตัดทิ้งไป ทั้งอายาเนี่ยเป็นดูอาหมดเลยครับรับีอัะขนีมุตลิกินออัจนีมุมุยิกินวะจลลีมินลดุกซนตอันนีรอขอให้เริ่มดีให้จบดีให้มีความสามารถแล้วก็ให้อัลลอด์ช่วยเหลือตรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆเป็นดูอาได้เลยนะครับแค่นี้นะมันต้องโจดย์เพราะว่ามีไว้ให้แล้วในเอกสาร ในทางประวัติศาสตร์อ้ายาตรงนีนะ้มีง่ายคิดด้วยประทานลงมานะครับก่อนที่จะเกิดเขาจะไบอาอักอบาอันอูละบออ ก, ก, ก็คือว่าสนที่สัญญาอักอบาเป็นสนที่สัญญาที่ชาวมัดินาเนี่ยแต่ก่อนชื่อว่าย่านทะนะครับมาที่มักกะแล้วก็เชิญชวนนบีบ่าว่าทมักกะมีปัญหาเยอะอบพยพไปดีกว่าที่มันคอร์มัดิน เราจะศรัทธาเราจะให้ความช่วยเหลือเืียว่าแบตุนอั ก, กบะนะครับเป็นสนิทสัญญาอั ก, กบะมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีผู้ศรัทธาเป็นการเตรียมการก่อนที่ท่านดยุบพยพไปที่นคร น, นครมณฑนาดัน ะ, นะดบซิทก็มาว่าในย่าของอาย่านี้เนี่ยที่ว่าเข้าว่าออกคืออะไรครับคือมักกะอันนี้เป็นทัศษณะหนึ่งนะ ท่านนบีออกจากมักกะมุครอยาซิดะกลินออกด้วยกับสัจธรรมออกในที่นี้หมายถึงการฮิจระ์เดินทางอพยพจากนาครมักกะไปสูน่นครมัดีนะั้นหลังจากที่ถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยนะครับนะท่านนบีกับเหล่าผู้ศรัทธาก็เตรียมตัวที่จะอพยพฉะนั้นเวนลาเราพูดถึงการอพยพเนี่ยนะเราชอบพูดแค่ตัวอพยพ นบีอพยพซาบะอพยพนะแล้วก็ไปถึงนครมารีนาะแต่ไม่ค่อยพูดถึงขั้นตอนเตรียมการก่อนการอพยพนบีเนี่ยไม่ใช่ออกไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะไม่ใช่โดนเขาบีบเยอะผัวมกกาก้านนู่นนี่นบีบอกเอา้าอยู่ไม่ไหวแล้วไปจัดกระเป๋ากันนะบุปผะซาบะออกกันกันออกไปไหนตะวักขันอรลถเหรอย่าล้อชี้ทางเองไม่ใช่แบบนั้นนะนะก่อนจะออกไปเนี่ยมั่นใจแล้ว ว่านครบัตินะคือที่ที่ ท, ทำไมเอย่ยสามารถไปตั้งถิ่นฐานได้ทำไมถึงมั่นใจละ่ะไม่ได้ฟังข่าวลือข่าวลือนะแต่ว่ามีการทำสนธิสัญญากับชาวบัต น, นะาแล้วก็คือเนี่ยสนธิสัญญาอาก้า บ, บ้านที่ยกให้ฟังไม่ใช่แค่ข้างเดียวสองั้งแล้วก็ดูความเป็นไปได้ทั้งหมดวางแผนด้วยก่อนจะพยพเนี่ยนะครับให้ใครออกไปก่อน อันนี้ยังไม่นับถึงอพยพ ท, นะที่ไปอเมซิกเนี่ยที่ไปเอธิโอเปียเนี่ยและท่านนบีกับท่านอบูบักอยู่สุดท้ายพ่อท่านนบีออกก่อนพวกมักการจะไหวตัวทันคนอื่นผู้สันทาคนอื่นออกไปก่อนฉันอยู่คนสุดท้ายแล้วจากนั้นไปกับท่านอบูบักจ้างคนนําทางพี่น้องนึกออกไหมแล้วก็เดินทางเวลาอพยพเนี่ยไม่ใช่ตรงไปที่มัณฑินานะคนอื่นนะ่ะตรงไปแต่นบีนะ่ะอ้อมมาเพื่อที่จะทำไมเอ่ยให้ความปลอดภัย เห็นได้ว่าขั้นตอนก่อนจะเกิดการอพยพขึ้นพี่น้องครับไม่ใช่การตะวักขันอย่างเดียวไปกันไปไหนไปข้างหน้าเสาียงท่านบิีไปหาข้างหน้าเส้นทางล่ะเอาลอดชี้ทางเองไม่ใช่แบบนี้นะเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็ตัดสินใจให้เกิดการอพยพเกิดขึ้นฉะนั้นคำว่ามุขข้อยศตดกินในนัยนี้เนี่ยนะครับนักตักซสส่วนหนึ่งอธิบายว่านี่คือการที่จาะไปสู่นครมณดีนั้น ออกไปจากมักกะออกด้วยกับความชอบธรรมด้วยกับสัจธรรมออกแล้วและตอนเข้านะตอนไหนถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ว่มักกะออกกับเข้านี่หมายถึงมักกะมุคโรยาซิดากินออกที่นี่หมายถึงกาฮิจราตอนเข้าก็หมายถึงทําไมเอ่ยการพิชิตมักกะมุตคาราซิดากิน ถ้าปกติเราจะมองว่าต้องเข้าก่อนใช่ไหนถึงออกแต่ว่าปริศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยออกก่อนออกจะมักกะไปก่อนเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเกิดการพิชิตมักกะอีก8ปีต่อมากลับมามุดาตดอกะลักซึกินกลับมาพิชิตมักกะ ออกก่อนแล้วกัเขาก็แล้วแต่ใครจะออกจะเข้าก็แล้วแต่ในดูอาบทนี้แค่บอกว่าจะออกจะเข้าจะเริ่มต้นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นการงานที่ซีดกินอยู่บนความชอบธรรมอยู่บนสัจธรรมนะครับฉะนั้นตะวันเอ่ยท่านอบีกลับเข้ามาทิมักกะกลับมาในฐานะผู้ชนะเช่นเดียวกันครับกับที่เรามักจะยกประวัติศาสตร์บางช่วงตรงนี้เนี่ยมันเกิดผลเสียเยอะ เวลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ยเรายกเฉพาะช่วงที่จะเอาถามว่าที่พูดจริงไหมมันก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเวลาเราพูดถึงการอพยพเนี่ยนะครับเราพูดแค่ว่านาบีอพยพไปจงสร้างความเข้าใจให้กับหลายๆคนที่ฟังซ้ําไปซ้ามาว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปเอย่าเอาล่อช่วยเหลือเองแต่ลืมที่จะพูดถึงขั้นตาขั้นตอนก่อนการอพยพตรงนี้ไม่ดีครับ พอเวลาสอนลูกสอนหลานเล่าให้เด็กๆฟังนบีอัุลยุเนี่ยนะครับเราไม่ไดสอนเด็กว่าต้องมีการเตรียมตัวพูดแค่ว่านาบีเป็นพระเอกซอฟบ้าเป็นพระเอกใช่ไมอับดุลยุไปไปถึงชาวอันซอดอันซอดแบบ ด, ดีแบบนู่นดีแบบนี้บูมั ก, ก้าไปรักใทยสมัครสมานสมาสมาัคคี ก, กันถามว่าจริงไม่จริงแต่เนื้อเรื่องแบบนี้ถ้าเล่าอาอกไปผลิตซ้ำไปซ้ำมาเด็กๆ เ, ก เ, กเยววาวชนที่ฟังก็จะ มองทุกอย่างว่าเป็นความง่ายดายพี่น้องหนึ่งออกไหมไปเดี๋ยวล้ อ, ลอช่วยช่วยแบบไหนช่วยแบบชาวโมฮัมหรยรียไงแล้วไปเจอคนดีดีข้างหน้าแบบชาวอันซอดชาวมาดินาแต่ไม่ได้เล่าในช่วงที่มีการเตรียมตัวเตรียมตัวนานมากพี่น้องครับก่อนนบะีจะพยโยบอธินครมาดินาไปที่อบับดซีเนียก่อนข้ามเรือไปพี่น้องคิดดูไปแล้วเนี่ยต้องไปเจอกับกษัตริย์อบับดุสซีเนียต้องมีการโต้เถียงกับ พูดแทนมา ก, การต้องไปเถียงกันเอาใครผิดใค ร, ใครถูกต้องเตรียมคนเตรียมโคศกเตรียมคนพูดอพะยพะไปเนี่ยมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงจะไปยังไงเรือที่จะข้ามไปกี่รอบหลังจากนั้นก็มองหาเป้าหมายหมายคืนนครบันนี้นะก่อนจะไปก็มีสิ่งที่สัญญามีการนู่นมีการนีร่เต็มไปหมดเลยเนื้อหาตรงนี้ที่เราไม่่อยพูดพี่น้องครับต้องพูดเยอะๆเพื่อจะสื่อถึงเยาวะชนแล้วก็คนฟังว่า มุสลิมต้องเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวเพราะการเตรียมตัวเป็นสุนนะนายบีนี่คือสิ่งที่นาบีทำซอบะทำการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเป็นสุนนะท่านนาบีเช่นเดียวกันเวลาเราพูดถึงการพิชิตมักกะภาพที่ผมตอน เ, เด็ดฟังเนี่ยละหลายคนเคยฟังคือมูซิมมายิ่งใหญ่มามักกะบุกเข้าไปเลยแล้วก็มีชัยชนะเมตตาด้วยนะไม่ฆ่าใครให้ความคุ้มครองเล่าแค่นี้ แต่ว่าก่อนจะบิชิตมากาัก้าพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านนบีอดทนอดกัน้นเคยมาแล้วซาบ้าครั้งหนึ่งมัก้าไม่ให้เข้าตอนนั้นเราซอบ้าโกรธมากพี่น้องครับจะบุกเลยนะบีบอกไม่ต้องบุกรอไว้ความอดทนอดกัน้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบิชิตมากกาัก้า เพราะว่าในช่วงเวลานั้นที่มีสันติสัญญาอุดายบิยะเกิดขึ้นเนี่ยคนมาเป็นมุสลิมเยอะขึ้นมีผู้ศรัทธามากขึ้นมีกําลังมากขึ้นจนนําไปสู่การพิชิตมกักกะเราไม่ได้เล่าตรงนี้เล่าตอนที่สูดมันเหมือนกับหนังมันที่สุดคือตอนยกทัพก่อนไปก่อนหน้านั้นนบีอดกั้นนะซอ บ, บ้านที่บอกไม่เอาแล้วท่านอลีนบีบอกให้ลบเขียนชื่อเนี่ย ม, มูฮัมมัดอัลซูลุลอะเขียนชื่ออัลละมกักกะบอก ถ้าเขียนแบบนี้ไม่ต้องเซ็นสัญญาการลบอันนี้ไม่ใช่นาบีคุณว่าเป็นนาบีแต่ฉันไม่ใช่นบีนี่คือมุฮัมมัดยามแบบนั้นเลยอัลลอฮ์ไม่เขียนท่านอาลีเป็นคนเขียนสารเนี่ยไม่ลบนบีบอกให้ลบท่านอาลีไม่ลบต้องสั่งซ้ําถึงจะลบความอดทนอดกั้นตรงนี้เราเคยนํามาเล่าสู่กันฟังบ้างไหม ถ้าประวัติศาตร์อิสลามที่ถูกผลิตซ้ำในบทเรียนในชั้นเรียนในอะไรก็แล้วแต่มีแค่ฮิจเรานะตอนออกตอนเข้าคนที่รับทราบอิสลามก็จะมองแบบความง่ายดายไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไปถึงอลลอฮ์เตรียมไม่หมดสุดท้ายชนะเองในความเป็นจริงไม่ใช่นอกจากบิชิกมา ก, การเสร็จแล้วพี่น้องครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไหมเวลาเราเสพละครเสพภาพยนตร์เสพการ์ตูนเนี่ยมันจบตอนที่ชนะ เจ้าชายเจ้าหญิงแต่งงานกันนะก็จบตามทิทานหลังจากนั้นไม่มีใครเล่าเลยว่าเจ้าชายเจ้าหญิงแต่งงานกันจะมีปัญหาครอบครัวไหมจะสองลูกยังไงเป็นความเป็นจริงในชีวิตตอนที่มุซิมชนะมักกะเรื่องราวไม่ได้จบเท่านั้นครับตอนที่พิชิตมักกะแล้วคนมาเป็นมุซิมเต็มไปหมดนะแล้วก็ทําไมเอ่ยหลังจากนั้นเกิดสงครามฮูเนน คนที่เข้ามาเป็นมุสลิหมหลัง จ, จากการพิชิตมักกะเนี่ยศรัท ธ, ธายังไม่มั่นคงเมื่อไปอศอสองคารามบุเนนแล้วพี่น้องครับจำนวนมากกว่าเขาเต็มไปหมดเลยแต่เกือบแพ้เราจําแค่สงคารามอูฮุดน้อยกว่าเขาเกือบแพ้เ่้ามาแต่จริงๆแล้วหลังจากการพิชิตมักกะมีสงคารามบุเนลด้วยซึ่งมุสลิมมีจํานวนมากกว่าแต่เนื่องจากพึ่งจะศรัท ธ, ธาความศรัท ธ, ธายังไม่มั่นคงไปสู้กับเขาเกือบแพ้ นะครับไม่มีวินัยไม่มีศรัทธาที่มั่นคงนั่นคือผลจากการพิชิตมกนะักกะแล้วก็คนมาเข้าอิสลามเต็มไปหมดยังไม่สามารถปรับความรากฐานตรงนี้ให้มันมั่นคงได้เวลาขยายกิจการตอ่อไปก็มีปัญหาเหตุการณ์ตรงนี้เราไม่เราไม่ค่อยได้เล่าเล่าแค่ส่วนที่หอมชื่นของประวัติศาสตร์ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าการเล่าแบบนี้ครับทําให้ผู้ที่เสพผู้ที่ฟังเยาวชนเนี่ยมองข้ามความเป็นจริง ทุอย่างง่ายหมดถ้าศรัท ธ, ธาแล้วเอาล่อช่วยหมดไม่อยู่บนความสมเหตุสมผลฉะนั้นนะครับผมยกเหตุการณ์ตรงนี้ต้องการจะบอกว่าที่เราสอนเด็กๆตู้วันนมันดีอยู่แล้วแต่ว่าให้เพิ่มอย่างอื่นไปด้วยครับเพิ่มความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เพราะว่ารอนนบบวาบบวียะเซรอนบาวียะเนี่ยนะครั บ, ป ร, บประวัติศาสตร์นบีเนี่ยชีว่ประวัติท่านนบีไม่ใช่นิทานไม่ใช่แค่มีแค่ตัวเองความสวยงามเริ่มต้นแล้วก็จบแบบทุอย่างดีหมดไม่ใช่ เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มีปัญหามีการเตรียมตัวมีความสำเร็จสาเร็จแล้วก็ยังมีปัญหาตามมานะบีแก้ยอย่างไงซาบะอดทนอย่างไงประวัติศาสตร์ตรงนี้สงครที่จะนำเสนอให้ครบถ้วนครับนะให้ครบถ้วนเพราะว่าผู้ที่ฟังประวัติศาสตร์เนี่ยอยากจะเรียนแบบเวลาเราฟังประวัติศาสตร์นะบีมูซาอลฮิซลามเนี่ยเราเราจาตรงไหนพี่น้อง จำตรงเอาม้เท้าตีทะเลแดงไปถึงตีทะเลแดงเิราเอาตามเข้ามาแล้วก็ทําไมเอ่ยกองทัพถูกน้ําท่วมตายกันหมดเราจําเท่านี้พอจําเท่านี้เราสาวว่าจริงไหมก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้มองการเตรียมการของนบีมูซาเลยจะประหาราเรอาลเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องฉันพูดไม่เก่งอุตตรธรรมมินิซานียะฟะฮูเ ก, กาหลีขออนุญาตอ้ตอ ลิ้นฉันมันมีปมอยู่พูดไม่ชัดขอฮารูนพี่ชายฉันไปนด้วยคนได้ไหมไปช่วยเจรจานี่คือการเตรียมการของนบีมูซาวิเคราะห์ตัวเองสร้างจุดอ่อนตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าจะเสิร์ฟจุดอ่อนตัวนี้ยังไงนำนบีฮารูนไปผ่านขั้นตอนเยอะแยะไปหมดครับก่อนจะมาถึงจุดไข่แม็กที่วัตีทะเลแล้วเฟีเอาจมน้าตายพี่น้องครับไม่ได้ง่ายแบบนั้น พี่อาจมน้ําตายเสร็จบางคนก็จบปอดอิสรตรัวนี้วะซาลามที่ไหนได้หลังจากนั้นมีปัญหาตามมาเยอะวันนี้อิสลามอินอพยพไปแล้วพี่น้องครั บ, บปั้นรูปบัวขึ้นมาแล้วก็การบาบไหว้เชิกต่ออัลลอฮ์นบีมูซาขึ้นไปอวฮีทิ้งนบีฮารูนไว้นบีฮารูนคุ้มไม่อยู่พวกนี่บอกไม่ฟังนบีฮารูนนบีมูซาลงมาดึงเขาพิชายตัวเองทําไมไม่ดูคนฮ า, ารุนบอกฉันทําเต็มที่แล้วพวกนี้เกือบจะฆ่าฉัน เห็นไหมฉะนั้นเรื่องราวไม่ใช่เลือกเอาเฉพาะส่วนที่หอมหวานหอ ม, หอมชื่นมีความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเหล่านั้นคือแง่คิดที่ดีครับสอนกับเยาวชนนะควราเ ล, ะละ่าประวัติศาสตร์เล่าส่วนที่ลำบากด้วยเพราะต้องการปลูกฝังเขาว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำไมเลยต้องสมบัติต้องอดทน เราก็ด้วยครับวตินาบีชนะเนี่ยนะครับไม่ใช่ปฏิหารล้นๆเดินไปตัวเปาเล่าไยแล้วชนะได้ไม่ใช่มีการปรึกษาสอบบ้ามีการเตรียมการมีการวางแผนมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่เราทำไมเอ่ยไม่ค่อยได้เน้นกันในประวัติศาสตร์อิสลามนะอ้าวต่อมาครับมาดูอายะที่81เอลอตรัสว่ากุลหกุลจงกล่าวเถอออิดยานฮักกุล เมื่อความจริงได้มาแล้วว่ซาฮากอนบาติลความเท็จก็จะมาลายหายไปอินนั่นบอดิลการนซฮูกอความเท็จนั้นทำไมเอ่ยโดยธรรมชาติของมันนั้นทำไมเอ่ยครับมันจะอยู่ไม่คงทนสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปอายะากูอ่านตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ปรวัติศาสตร์ก็คือตระกอนพวกทำไมเอ่ยมักกาอุปโลงเจ้าเจวต ถ้าบูชาต่างๆขึ้นมาเป็นเจ้าทำให้มันเป็นจริงมีตัวตนขึ้นมานะครับไม่ใช่กราบว่ว้อย่างเดียวนะถึงขั้นที่มีพิธีกรรมพี่น้องนึกออกไมคนจากทั่วข้าส ม, มุทรอาหรับเบียเดินทางมากราบไหว้มีพิธีกรรมมีการตะวาบมีการกราบานเส้นเชื่อสัตว์ถวายพีแดจเวดลูก ป, ปั้นเป็นระบบที่พวกมักกะสร้างขึ้นมา นะแต่ว่าของต่างเหล่านี้เหมือนจะยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่นนปีหนึ่งคนจมาทําพัดทีทั่วเข้าสมุทรอาราเบียนะมาขนาดนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่จกนกระทั่งอับราฮากองทัพช้างอิจฉาอยากจะทําลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อท้องถิ่นนะใครอยากจะไปกร า, ากบไหว้กัไปไม่ใช่มันเป็นจุดศูนย์กลางความเชื่อของข้าวสมุทรอาราเบียทั้งหมดขาวสมุทรอาราเบียมันกว้างนะพี่น้องแล้วที่ดูคน คนทั้งเกือบทั้งทวีปเนี่ยเวลาจะเดินทางที่เดินทางมาที่มักกะเพื่อมากกะ ว, ว้ยิ่งใหญ่มากแต่อย่างไรกันแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นทําไมเป็นบาติลไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าที่แท้จริงเมือ่อยาอัลฮักกุเมื่อความจริงม า, จงมาจงเจวิตเหล่านี้ถูกทําลายทิ้งไปในมักกะถูกทําลายทิ้งไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกา บ, บ้านนะมาถึงเจวดเนี่ยนะครับถูกท่านอบีุลเบลออกไปเนี่ยตอนที่มีชิตมักกะนะแต่หลายอย่างใน ในความเชื่อต่างๆเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไปสืบดูดีๆเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เราตรวจสอบเรื่องในที่เราฟังๆมาพี่น้องบางทีเขาเล่ากันหนาหูมากอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ mm hmm. เช่นเราเคยฟังเรื่องแม่นาคพระขนงแม่นาคมีวัดมหาบุตรมีพระขนงมีพื้นที่มีเต็มไปหมดเลยแต่เวลากลับไปดูเ อ, ก, เอกสารประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ย เอ้อไม่นั่งอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่ลูกก็เนี่ยอะไรละ่ะทำมันเป็นผีหลอกคนอื่นหนลอกมาแต่ว่าความเชื่อนําไปไกลสร้างเป็นหนังไม่รู้กี่ภาคแล้วเป็นความเชื่อมีทั้งพื้นที่มีอะไรเต็มไปหมดเวลาไปสืบจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอะไรละ่ะในประเทศไทยที่ว่าเหมือนจะจริงแต่ จ, จริงๆมันไม่จริงเช่น คนนั้นผมดูสารคดีรัดดาแลนด์เคยดูตะกรอมีหนังรัดดาแลนด์เป็นหมู่บ้านผีสิงอยู่ที่เชียงใหม่เรื่องราวผีเฮียนในเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าพอเขาไปดูพื้นที่จริงๆไม่มีผีเป็นสวนคล้ายสวนรอเก้าไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรรไม่เคยมีผีไม่เคยมีใครฆ่ากันตายแล้วก็ปิดตัวไปไม่ใช่เพราะผีแต่ว่าก็ขาดทุนลงทุนทําเป็นสวนทําอะไรแบบเนี้ยไม่มีอะไรที่เหมือนกับหนังที่สร้างขึ้นมาเลย ฉะนั้นไอ้ต่า ง, า ง, า ง, างๆนานาที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเชื่อวันจริงเนี่ยบางทีก็เชื่อจากจากคำพูดที่ต่อต่อกันนะครับเอามีผีจ้างหนังของไทยเนี่ยผีมันเยอะมากพอไปสืบดูดีๆเอที่มาที่ไปบางทีสืบต่อไม่ได้ผีจ้างหนังไปไปมาหนังไปฉายจริงไหมก็ไม่รู้ไอ้คนที่ไปฉายกะลาออกหมดแล้วตามหาตัวไม่ได้แต่ความเชื่อมันก็ไปต่อต่อต่อต่อกันไปฉะนั้น อันนี้ความเชื่อเขาไม่ได้ดูถูกแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าลหลายๆอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะไม่จริงก็ได้ค่านิยมบางอย่างนะครับอาจจะไม่จริงก็ได้เช่นเราอาจจะมองว่าเวลาจะสองลูปเนี่ยครับอยากให้ลูกได้ดีต้องทํำยังไงบางคนบอกว่าต้องตีเยอะทําไมล่ะเพราะตอนฉันเนี่ยตอนเด็กๆย่อกระตีฉันทุกวันที่ฉันจึงได้ดี เวลาฉันจะสอนลูกฉันต้องฉันต้องตีให้เยอะถามว่าจริงไหมไม่แน่ถกเถียงกันได้เด็กสมัยนี้อยากให้ตีไหมอาจจะต้องตีอยู่แต่ไม่ต้องตีเยอะสมัยก่อนก็ได้เป็นข้อถกเถียงนะครับออความเชื่อบางอย่างอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นึ่บ อ, อกไหมนะครับฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้ามการความเชื่อที่มันหลากหลายแบบนี้เอาความจริงมานําเสนอ ความเชื่อต่าง ๆ, ๆที่อาจจะจริงไม่จริงมันก็จะมาลายหายไปเวลาท่านอบีทําการเผยแผ่ อ, อิสลามเนี่ยนะครับนะท่านอบีบอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเน้นดียวพระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับเมื่อคนสันทารต่อพระเจ้าองค์เดียวแล้วการตั้งภาคีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามาไล่ โจมตีเจ้าทีละองค์ที่เขานับถือเจ้านุ่นไม่ดีเจ้านี้ไม่ดีพี่น้องกวจะโจมตีกว่จ ะ, จ, กวจะหักล้างได้หมดบางทีเขามีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเหนื่อยเบาๆแต่ถ้านำคนมานะครับล้วบอกว่าเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวให้เขาสัตยาถ้าเขาสัตยาได้เจ้าที่เหลือจะหายไปเอง ขั้นตอนคือจะทำไงเขาศรัท ธ, ธานะครับแต่เขาศรัท ธ, ธาแล้วความศักดิ์สิท ธ, ธิ์อื่นที่เหลือเนี่ยอิสลามเราไม่ได้ไม่มีความเชื่อแบบนั้นนะครับคนอื่นอาจจะมีความเชื่อแบบนั้นก็มันจะมาลายหายไปเองเมื่อความจริงมาทําไมเอ่ยความเท็จก็มาลายหายไปอันนี้เป็นอายะก็อ่านหนึ่งซึ่งทําไมเอ่ยเรามาจะยกขึ้นมาสอนกันนะครับอย่ากความจริงมาอยากรู้เองแหละอะไรเป็นอะไรนะ ต่อมาครับในอายะที่ในอายะที่ 8, ทแปดสิบสองเราถามว่านุนัซิลูไม่นั่งก็าอ่านนี่เราเนี่ยได้ทําไมเอย่ยได้ประทานก็าอ่านลงมาก็าอานเนี่ยเราใช้คา u, ําว่านุนัซิลูแปลว่าทยอยประทานลงมานะครับในภาษาไทยก็แปลว่าส่วนหนึ่งของก็อ่ า, อานคือไม่ได้ลงมาทีเดียวเต็มทั้งเล่มนนหนาๆแบบนี้ไม่ใช่นะทยอยลงมาห้าอายะสามอายะ มาหัวชิฟาอุนวราะหมาตุลส่วนหนึ่งของคัมอีร์เป็นทั้งชิฟายารักษาโรควราะหมาตุนลินมุมีนีนแล้วก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาวลายาดูซอริมีนาอิลลาคอซารอและสําหรับผู้ที่อารรมแล้วเนี่ยทำไมเอ่ยลายซีดูมันจะไม่ให้อะไรไม่เพิ่มอะไรกับเขาเลยครับอิลลาคอซารอ ควรใช้แต่ความขาดทุนกรอ่านเป็นชีฟาอย่างไรพี่น้องอันกรอ่านเป็นยารักษาโรคอย่างไงเอาแบบยาตรงๆเลยนะไม่ใช่ผสมน้ำนะสอบาบ้านเนี่ยเคยใช้กุานในการเป่ารักษาในดิสของท่านอบิสัยอันคุนจรีเนี่ยเคยเดินทางพร้อมกับสอบาบ้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวบรับ ปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไม่ให้การต้อนรับท่านท่านอบดุสสัยก็เดินทางออกคันนี้ปรากฏว่าไอ้หัวหน้าชุมชนตรงนั้นถูกแมงปองกัดไม่มียารักษาสมัยก่อนคนอาบสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็ใช้สมุนไพรบางทีใช้การเป่าเป่ารักษานะครับเออก็มีคนมาตามท่านอบดุสสัยซึ่งอาจารย์จะเดินทางออกไปแล้วเจ้าถิ่นก็ไม่ต้อนรับก็เดินทางออกท่านอบดุสสัยก็มาทําการอ่านฟานติฮะ ดูอาเนี่ยไม่ใช่ดูอาแบบดูอาอะไรที่ไกลตัวนะเป็นดูอาใกล้ตัวอ่าน s u ร a h Fatihah เจ็ดครั้งแล้วก็เป่าไอผู้นําชุมชนบอกว่าถ้าใครเป่าฉันหายรักษาฉันได้นะไม่ว่าวิธีไหนก็นแล้วแต่ฉันให้แพะสามสิบตัวท่านรางวัลปรากฏ ว, ว่าท่านอบีสัยละคุญเร่ย์ก็นำอายไลน์ก็อ่านที่ใกล้ตัวที่สุดคือ Surah Fatihah เนี่แหละที่อ่านทุกวันเจ็ดครั้งแล้วก็เป่าปรากฏ ว, ว่าอร่อยหาย หานี่ไม่ใช่อวิสัยศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอนุภาคของเราปรากฏว่าอาการมันดีขึ้นอาจจะไม่หายแบบแว บ, บเลยนะครับอาจจะอาการดีขึ้นอะไรกันแล้วแต่อาการมันดีขึ้นก็เลยให้สัญญาว่าจะให้แพทย์สามสิบตัวก็ให้แพทย์สาสิบตัวบรรดารอับดุลนาบีไม่อยู่นะอวิสัยศึกกับบรรดาซาร์บักก็เอามากินกันเรื่องนี้ก็ภายหลังก็ไปถึงท่านนบีท่านนบีก็ไม่ได้อดห ว, วายอมครับตรงนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง นะครับหนึ่งคืออันกอูอ่านเน้นำมาเป่าได้นะซอฟติฮะสองอการยอมรับของท่านนาบีเนี่ยนบีไม่ได้ทำไม่ได้ดพูดซอฟบ้าทําไปก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นฮันดิษแบบหนึ่งเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ากอาูอ่านคือชีฟายารักษาโรคตรงๆเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็คือการเป่าแบบที่ท่านอบีุลฮะซิยนั้นคุณจะเรียกทำไว้คราวนี้ชีฟาในมุมมองที่กว้างกว่านั้นมีไหมมี ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเวลาที่ประทานเขาก็อ่านมาเนี่ยเขาก็อ่านเป็นชีฟาเป็นยารักษาโรคให้คนอาหรับทั้งข้าศึกุัลมาเบียออกจากโรคหนึ่งก็คือโรคยาฮิลีก่อนที่อิสลามจะมาอยู่ในสังคมยาฮิลีอวิชาไม่ได้โง่นะครับยาฮิลีมันจะแปลว่าโงา่แต่หมายความว่ามีทั้งความเคนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเหมือนกับความมืดบอด บางทีแก่กแข้นกันบางทีฆ่ากันบางทีทําสงครามระหว่างเผา่าอยู่แบบอยู่ในความมืดบอดลูกตัวเองบางทีก็ฆ่าได้นึกออกไหมไม่มีเหตุผลนะครับผลฆ่ า, นาผานชิงกันเรื่องปกติเลยพอก็อ่านมาแล้วเนี่ยเป็นชีฟานําเผ่าที่เคยทะเลาะเบาะแวงกันผูกเข้าไว้ด้วยกับอิสตา้าชัดที่สุดก็คือในสังคมนครมัดีน่ า, อนนาเอาส์กับคอสตาร์ชสองเผ่าที่อยู่มันดีน่าไม่ถูกกันเลย แข่งกันมากต่อสู้กันไม่ถูกกันเลยแต่พอท่านอาบีมาแล้วไม่มีเอาัลไม่มีค้สระชมีแต่ชาวอันซอดสลายอัตลักษณ์ที่เคยขันแย้งกันอะไรกันแล้วแต่หายไปหมดเหลือแต่เหลือแต่ชาวอันซอดชาวอันซอดที่ท่านอาบีชื่นชมแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือชาวมุฮัจิรีนที่อพยพมาจากนครมักกะเป็นชีฟารักษาโรคในจิตใจพี่น้อง อันก็อ่านในเวลาถึงบอกว่าเป็นชีฟาเป็นยาเนี่ยอย่ามองแค่ยายาเบาหวานยาความดันยาอะไรแบบนั้นโรคภัยข้างนอกแต่หมายถึงโรคที่อยู่ในจิตใจพี่น้องครับบางทีเรามีความโกรธโกรธมากเป็นโรคนะคนโกรธมากๆทุกวันพี่น้องป่วยได้นะโกรธโมโหเนี่ยความดันมันขึ้นความดันขึ้นหวัวใจขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับหัวใจทํางานหนักกล้ามเนื้อหัวใจโตพอโตแล้วเดี๋ยวมันจะวายมันเกี่ยวกันหมดแหละนะครับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย คันนี้ถ้าเป็นคนโกรธเยอะๆอ่านนั่นละมานแล้วก็อ่านกุอ่านการกินยากดความดันก็ได้ผลมาได้ผลแต่ว่าถ้ามันมาจากอารมณ์เราก็ต้องปรับอารมณ์ใช้กุอ่านในการปรับตรงนี้พี่น้องครับอ่านกุอ่านอ่านช้าๆเลยเสียงไม่ต้องสูงไม่ต้องเพาะมากอ่านช้าๆนะครับวักุลยะอัลฮักกูเนี่ย ทุกตัวทุกตัวช้าๆอ่านคนเดียวไม่ต้องแข่งกับใครบางคนชอบทำสถิติว่าหนึ่งเดือนต้องจบสามสิบยุดดีไม่ดีนะแต่มาทีอ่านไวๆอ่านช้าๆก็ได้บุญไม่ได้บุญเหมือนกันยิ่งถ้าอ่านไม่คล่องคนที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับถ้าอ่านก็อ่ า, อานถาอ่านไม่คล่องได้บุญเยอะกว่าคนอื่นได้บุญสองเท่า คนที่อ่านก็อ่านเนี่ยนะครับได้บุญในการอ่านแต่คนที่อ่านไม่คล่องยิ่งคนที่เป็นมูอัลลาฮเป็นมุสลิมใหม่อ่านแล้วได้บุญสองเท่าหนึ่งได้บุญในการอ่านสองได้ตรงความพยายามฉะนั้นไม่เสียเปรียบเลยอ่านช้าๆใจเย็นๆนะครับในความเชื่ออื่นก็มีนั่งสมาธงนังสมาธิทําจงทําจิตของมุสลิมเองก็ละหมาดช้าๆอ่านก็อ่านช้าๆก่อนจะละหมาดก็จะอ่านก็อ่านมันต้องอ่านนับละหมาดเนี่ย คนเวาเป็นไฟร้อนมามาเจอน้ำเย็นลงทำอะไรช้าๆตัวรามก็เป็นลามไม่ครบเลยกุ้ลให้มันครบพักก็อ่านออกเสียงให้มันชัดๆครบๆทุกพยางทุกอักษรที่อ่านไปได้ผละบุญทั้งหมดเลยเป็นชีฟาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครไปลึกกว่านั้นเข้าใจความหมายในี้ก็อร์นำมาปฏิบัติรักษาตัวเองครับรักษาสังคม รักษาครอบครัวความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวสามีภรรยาลูกใช้กุานรักษานะครับในกุกานเคยกล่าวถึงลูกมานสอนลูกสอนยังไงเรานำมาใช้โรคตัวเองโรคในครอบครัวโรคในชุมชน โรคในสังคมมันเกิดอะไรขึ้นมีความเกลียดชังมีความอิจฉาเกิดขึ้นมีการดินท่าเกิดขึ้นใช้กุาลในการรักษาใช้กุาลในการตักเตือนสึกกันและกันไม่ว่าจะมองในแง่ไหนยาในระดับไหนร่างกายจิตใจจิตวิญญาณาก่านคือชีาคือการรักษานอกจากนี้รับก่านคือรัชมาตุลลินมุมีนีนคือความเมตตากับผู้ศรัทธา คนที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับข้ออ่านพี่น้องครับอยู่ในความเมตตาขอหรอความเมตตาตรงนี้พี่น้องพี่น้องตายไปพี่น้องทราบไหมเวลาตายไปเนี่ยคนที่มายืนละหมาดให้พี่น้องเต็มไปหมดเลยทุกคนเวลามาเนี่ย um hu, um hu, อ, อัลลอุมะรหัมหูอัลลอฮุมะฟิลลัหูขออัลลอ์พยโทษให้ขออัลละ์ให้ความเมตตา ไอ้คนที่มาประมาณสมมตินามมายัดเล็กๆเนี่ยประมาณสักห้าสิบคนมันต้องมีสักคนที่เป็นคนดีที่อลัลลอะ์ตอบรับดูอาให้ยิ่งจะเป็นมายัดใหญ่ๆคนรับหน้าถือตาพี่น้องมากันแน่นไปหมดนะฉะนั้นเวลาความเมตตาเนี่ยหนึ่งได้จากกุรอานโดยตรงสองเราขอต่อลรัแล้วก็สามทำไมเอ่ยมีพี่น้องมุสลิมที่มีศรัทธาเดียวกันขอดุอาให้แก่กันและกัน อัลลอฮ์อัลฮ์มาร์มันมุสลิมีนฟิกุลีมการนะมันทีเราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเรามันอยู่คนละทวีปอยู่คนละประเทศแต่ว่าเราเป็นคนในดูอาอยู่ในดูอาของเขาให้อ oh ัลลอฮ์เมตามุสลิมทั้งหมดฉะนั้นกุรอานเนี่ยทำไมเอย่ยเวลาประทานลงมาแล้วเนี่ยนะครับดึงคนจากความเป็นยาฮิลีมาเป็นมุสลิมภายใต้ความสัมพันธ์แบบอิสลามเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกัน คำหนึงถึงกันและกันร่างกายเดียวกันเจ็บปวดพร้อมๆกันและเวลาห่วงใยกันขอดวอาให้กันและกันเนี่ยทําไมเอ่ยเขาขอเผื่อกันด้วยเป็นคนในดวอานะครับนอกจากนี้ความช่วยเหลือความเมตตาต่างๆต่า ง, า ง, า ง, า ง, างทรัพย์สินก็มีก็มีสระก็เรามีสระกาในชุมชนมุสลิมเนี่ยนะครับเรามีต้นทุนทางสังคมสูงพี่นอ้องบางคนอาจจะเลื่อนไม่ออกนะครับ ลูกที่ไปนิก็อ่านทุกวันเนี่ยพี่น้องถ้าลองไม่ส่งไปเรียนที่มัสยิดนะจ้างคนมาสอนที่บ้านกันได้ลองคิดดูอะค่าจ้างเท่าไหร่ผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่สภาพบ้านของแต่ละคนนะครับเวลาค่ายอบรมก็ดูร้อนเนี่ยนะครับถ้าส่งไปฝึกที่อื่นเนี่ยกับส่งไปฝึกมัสยิดลองคิดเป็นค่าใช้จ่ายดูแล้วก็ชุมชนที่มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีอาหารอ า, านเล่นไม่ต้องเดินทางไปที่อื่นไกลมีการเรียนการสอนมีการละหมาดมีกุฏบ้านมีความ เขาจะห่วงใ ย, ยกันในสังคมมุสลิมเนี่ยลองตีเป็นถ้าไม่มีแบบนี้เนี่ยเราต้องจ่ายอะไรเพิ่ม บ, บ้างคิดห ย, ยาบๆแบบเป็นตัวเงินน่นั่นแหละคือต้นทุนทางสังคมจริงๆถ้ามันประเมินค่าไม่ได้แต่บางคนมองไม่ออกว่าเอ๊เป็นมุสลิมเนี่ยมันมันมีความเมตตายัางไงนะครับลองมองแบบนี้เราเห็นได้ว่าต้นทุนทางสังคมเรามีเยอะพี่น้องครับเนี่ยการเรียนการสอนแบบเนี่ยมาถึงถ้าไปจัด จัดแบบเต็มรูปแบบเอา้าต้องเช่าสถานที่เอา้าต้นทุนเท่าไหร่เนื้อหอมไหมต้องนูน่นต้องนี่ทีจอลงที่จอนลดแต่ว่าพอเป็นในเครือข่ายมุสซิมโดยกันแล้วเนี่ยพี่น้องมันไม่เท่าไหร่แมวที่มันพร้อมที่มีอยู่แล้วนื้อหอมไหมไม่ต้องไปเช่าเข า, เาคนก็พร้อมอยู่แล้วแบบนู่นแบบ น, แบบนี้เป็นเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์กันของเหล่านี้พี่น้องครับถ้ากูอา่านมาแต่ประธานลงมานะไม่เกิดขึ้นเราก็เป็นเผ่าไหนสักเผ่าหนึ่งประเทศไทยอาจจะเป็นเผ่าสักเผ่าหนึ่ง แล้วก็มีความขัดแย้งบูชาจเวิตอาจจะไม่ผูกกันด้วยความศรัทธานถึงเวลาก็เชิดนักเชิดนบกบุญอานอาจจะไม่ได้แจกันนะครับไม่ได้ขอมาอัฟกันในวันอีดไม่ได้ถือสินโอดไม่ได้ละสินอดร่วมกันเหล่านี้ทําไมเอ่ยก็อ่านเนี่ยเวลาลงมาแล้วสร้างความเมตตาความจําเิญให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแต่ว่าในทางตรงข้ามครับเวลายาซีดุซอลิมีน่อิลลาขอซารอผู้ที่ปฏิเสธก็อ่านทําไมเอ่ย คือความขาดทุนพวกมักกาเริ่มขาดทุนนั้นแต่นบีทำการเหืยแ พ, พ่อสราขาดทุนนั้งแต่ไม่ยอมรับท่านนาบีมีปัญหาภายในคิดว่าชนะและวบีมุสินออกไปพยพสุดท้ายถูกพิชิตมักกนแล้วก็จะเว็นต่างๆผลประโยชน์ที่เคยได้หายไปทั้งหมด ฉะนั้นเวลาที่ปฏิเสธก็อ่านปฏิเสธชีฟาปิยารักษาจิตใจปฏิเสธรักมากปฏิเสธความเมตตาสิ่งที่ได้คืออิลาขอซารอได้แต่ความขดาดทุนในอายาที่8ปดบสามครับอัลลอตรัว่าว่าอิดาอันอัมนานะครับและเมื่อเรานั้นทำไมเอ่ยได้ให้เนี่ยมันนะอาเลนอินซานแก่มนุษ อ, อ่เราดอพวกเขาทำไมเอยครับพวกเขาพินหลังให้นาอาบิญานีบีตัวนี้แก้หน่อยในในเอกสารมันินนาเนี่ยเติมตัวฮามซาก่อนอาลิฟนึกออกไหมฮามซามันตกไปมันเป็นตัวพิมพ์มันอย่างนี้ไม่ใช่วานาบิญานีบีนะว่าน า, าบิญานีบีเติมฮามซาิดเดียวก่อนตัวลิฟนะครับพวกเขาเหล่านั้นทําไมเอยพินหลังให้ครับวาน า, าบิญานีบี ออกไปข้างๆปีตัวออกไปข้างๆวิลามัสหูชาลุ Susan, และเมื่อมีความไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาการยาอูซาพวกเขาก็เบื่อนายหมดอะไรยาอูซาก็ทำไมเอ่ยตัวทำซ่หายไปยาอูเติมตเติมตัวทำซ่าก่อนวาวนะครับอ่านให้อ่านว่ายาอูซาายาตัวนี้อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ให้เนี่ยมาเนี่ยมาในต่างกันนะ ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมัดที่เราได้มีเพิ่มก็คือมีอีมานและการเตาฟิกหมายความว่าเนี่ยมัดที่มีของผู้ศรัทธาคือได้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นนะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ในอาคิร่าได้การอภัยโทษแต่ว่าอินทานทุกคนเนี่ยก็ได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์เหมือนกันครับได้ที่อยู่อาศัยได้สุขภาพที่แข็งแรงได้ครอบครัวสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตถือเป็นเนี่ยมากหมด อัลลอฮ์ทำไมเออบอกว่าอันอัลนาอลเนอินชาเราได้ให้เนืมัดต่างๆแก่มนุษย์ขณนี้เวลามนุษย์ได้เนี่มัตต่างๆได้สิ่งดีๆต่างๆแล้วอัรอดอหันหลังให้ว่นาอบิญานีบิแล้วก็ปีกตัวออกไปถ้าเป็นผู้ศรัทธาวาได้เนยมัตแล้วเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พี่น้องไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องจะห่างจากพูดที่ให้เนี่ยมาเนี้ยมัจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ผูกเรากับอัลลอฮ์อัอลลอฮ์เป็นผู้ประทานเนี้ยมัดเป็นของขวัญและเราเป็นผู้ได้รับเมื่อได้มาแล้วเราทําการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เรากับอลัลลอฮ์ก็จะใกล้ชิดกันแต่ถ้าวันไหนเราได้เนี้ยมัดได้เยอะจนกระทั่งลืมไปว่า ที่ฉันมีทุกวันนี้มีเยอะมีเยอะกว่าคนอื่นมีเต็มไปหมดเนี่ยเป็นเนี่ยมัด อ, อลัลลอฮ์ลืมกว่าพูดอลัลลอฮ์ความสัมพันธ์ระหว่งางเรากับผู้ที่ให้เนยมัดคืออลัลลอฮ์เนี่ยมันก็ให้ห่างกันห่างกันสักวันนึ่งเรากลืมลืมว่าคิดว่าที่ได้เนี่ยเพราะว่าตัวฉันเพราะเป็นความสามารถของฉันจริงๆแล้วเนี่ ย, ยมัดมันจะอลัลลอฮ์นะครับคขณะนี้คนที่ไม่มีอลัลลอฮ์ตั้แต่ต้นเนี่ยว่า อ, อีดามาะมัสซัฮูฉันรู ได้เนี่ยมัดเหมือนกันครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ความไม่ดีมันเกิดขึ้นเนี่ยมัดที่เคยได้มันหายไปเคยไขของได้เยอะพี่น้องครับเราไม่เคยคิดเลยวันหนึ่งเราต้องปิดร้านแล้วก็ส่งเดลิเวอรอย่างเดียวเวลาโควิดมาโควิดนี่ทําอะไรให้เรานึกคาดคาดไม่ถึงผมสอนหนังสืออยู่ดีใครจะคิดวันหนึ่งต้องมาสอนกับหน้าจอคอมมันเป็นเรื่องที่ยังไม่น่านจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคต นะครับคนที่มีกิจการบางอย่างเนี่ยบางคนสอนพิเศษจะปิดเลยชั้นตัดผมเนี่ยต้องปิดเลยโควิดรอบแรกนะเป็นภาพที่เราไม่เคยมาก่อนนะครับครนี้เวลาเกินแบบนี้นมันเกิดทั้งโลกคนที่ทําไมเอย่ยคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยการนัยยะอุซาเขาก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจผู้ศรัทธายัางพอมีที่พึ่งทางใจ ยังขออุทิศตอนละมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจยิ่งไม่เชื่อในสิ่งไหนเลยเนี่ยพี่น้องครับหมดอะไรแล้วกต็ตายอ่านะอันนี้ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะครับบางคนก็พยายามหาที่พึ่งทางใจบางคนก็หาไม่ได้หมดอะไรตายอ่างฉะนั้นเวลาที่เราผูกเนื้มัดกับอัลลอฮ์เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เสมอเวลามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี้อมัด มันหายไปมันลดลงเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากชูโกตขอบคุณต่อรอดมาเป็นสบัดมาเป็นความอดทนไม่ว่าเราจะให้เนี่ยมัดหรือเลาจะลดเนี่ยมัดอย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันเฉื่จางลงพี่น้องครับถ้าได้ให้ชูโกตขอบคุณถ้าได้น้อยลงให้สบัด ต, ต่อรอดขอต่อเรอดอยากได้เพิ่มมันเดิมอยากได้กลับมาเยอะเหมือนเดิมอยากให้ร้านเปิดคนมาเยอะเยอะเหมือนเดิมขอต่อรอดได้ครับ ขอต่อรอดมันต้องขออาคีรอดอย่างเดียวนะดุญยาก็ขอได้อาญาสุดท้ายในวันนี้ครับกุลจงกล่าวเถิดกุลลุนยามาลุ阿าชากิรติหินะทุกคนเนี่ยทำไมเ อ, อ่ยทำงานต่างๆการงานต่างๆอราชากิรติหีตามลักษณะตามรูปแบบของเขา พระรฟบุกุ้มและพระผู้อภิบาลของพวกท่านนั้นอะลามบิมันวอะดาสบีลาเป็นผู้ที่ทราบดียิ่งนะครับนาและว่าใครไปผู้ที่เดบทางนำแล้วก็เดาแนวทางที่ถูกต้องนะครับพี่น้องครับตรงนี้น่าสนใจมากชากิละแปลว่าสภาพของเขา มนุษย์ทุกคนเนี่ยทำไมเอย่ยมีลักษณะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันถ้าพี่น้องยังไม่ลืมนะกลับไปอ่านสักประมาณสิอายาที่แล้วเราเคยพูดกันเอเลาะบอกว่าวาเวลาอเลาะให้วกากรรามนาบันีอาดัมให้เกียรติกับลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยวะฮมันานาหุมฟินบาริวันบาริมีทั้งคนที่เดินทางไปทางบก เป็นคนที่เดินทางทางทะเลนะครับมีตั้งเช้าประมงมีทั้งเชาง้ชาวสวนวอลซ็กนาคุ้มมินัตโตยีบะแล้วก็มีปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายมาคนขายของมาคนเชิญเนื้อมาคนขับแท็กซี่เหล่านั้นเนี่ยคือชากิรันดีฮีวิถีชีวิตของเขาทุกคนมีวิถีชีวิตต่างกันตอนนี้เนี่ยนะครับผมกับพี่น้องอยู่ในที่เดียวกันอีกประมาณสามนาทีผมจะสอนเสร็จเนี่ยเวลาแยกกันไปนะพอจะมีชั่วโมงหนึ่ง ทักเทียเ่ยงในเวะลาแยกกันไปในพีน้องทุกคนจะไปสู่ชาติลัตตีหีบางคนเป็นแม่บ้านกลับไปถึงบ้านเอา้าเอามาเงี้ยช่องฟิตผัดกะเพราบางคนต้องไปทำงานต่อทุกชีวิตเนี่ยมีวิธีชืิตของตัวเองแต่ว่าความหลากหลายตวเนี้พี่น้องครับออลล์ทำไมจักกนาหุมมินันต่อยีบ้านออลล์ให้ปัจจัยยังชีพครบหมดเลยพี่น้อง ไม่ใช่งานง่ายๆนะเวลารัฐบาลจะให้เงินเดียวยาน่ยพี่น้องเป็นเกษตรกรเวลาแบ่งมันแบ่งยากบางคนบอกไม่ตรงมนนู่นนี่แล้วในโลกมนนุ่งทั้งหมดเลยพี่น้องชากริติกีมันต่างกันเยอะมีอาชีพที่ว่าหาเช้ากินค่ําบางคนเป็นยามครับหาค่ํากินเช้าบางคนหาต้นเดือนกินปลายเดือนบางคนงานเดือนหนึ่งมาทีสองทีวันทีเป็นเจ้านามาทีเป็นลูกจ้างต่างๆเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างเนี่ย ว่าักนาหุมอลลตอีบาทอัลลอฮบอกว่าเราให้ปัจจัยยังชีพอัลาชากิลาตีฮีตามสภาพตามวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของพวกเขามีปัจจัยยังชีพหมดเลยนะครับให้ครบทุกคนนะแล้วก็ให้ตามความแตกต่างด้วยคนทํานาจะทราบในช่วงไหนจะได้ตัง ตอนที่ว่าเขามาเอาข้าวเนะี่ยตามที่ลงสีเอาตังมาเลยคนไม่นชาวสวนต่างกันคนที่กีนยางเนี่ยได้ทุกวันแต่วันไหนฝนตกไม่ได้คนที่เป็นชาวประมงพี่ น, น้งองนึกออกไหมวิถีชีวิตรายได้เนต่างกันอย่างผมมนันรุกเดือนเดือนได้สิ้นเดือนบางคนเป็นรายวันบางคนเป็นรายสัปดาห์ต่างกันไปนหมดเลยนะครับเอาเราให้ต่างกันแต่ว่าวารับบุกุมอัลเลมู ความแตกต่างกันตรงนั้นอลัลลอฮ์ให้ในฐานะที่เป็นบาวไม่ตามต่อบ่าวแต่ว่าผู้ที่บิมันฮุอาดดาซาดีลาใครที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดเนี่ยอลัลลอฮ์ตัดสินเขาตอบแทนเขาในวันกิยามะอันนี้ตอบแทนตามการงานที่เขาปฏิบัติไว้มนุษย์มีความหลากหลายพี่น้องครับอลัลลอฮ์ให้แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตตามชาติกละแต่วล า, าไปถึงวันกิยามะแล้วเนี่ยนะครับ จะเป็นชาวปอมงจะเป็นชาวสวนไม่เกี่ยวแล้วตรงนั้นมาตรฐานที่ใช้ตัดสินคืออาดาซาบีลาใครที่อยู่ในทางนําเที่ยงตรงที่สุดทําไมเอ่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดดุนยาเรามีวิถีชีวิตของเราแตกต่างกันครับนะแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายอาคิรอดเนี่ยเป้าหมายและเป้าหมายเดียวกันนะเงินที่ได้จากการขายของรับจ้างเงินเดือนอะไรกันแล้วแต่ถ้าอยากให้ถึงอาคิรอดทาไมเอ่ยต้องต้องบริจาค สุขภาพที่ได้มาเนี่ยบางคนชอบวิ่งบางคนซิทอัพบางคนเล่นก้ามแต่ว่าถ้าอยากให้สุขภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานในวันอาคีรอดได้ต้องใช้สุขภาพในการอิบาลได้พี่น้องนึกออกไหมสติปัญญาเรียนคณะต่างกันต็ไมไปหมดเลยนะครับความเชี่ยวชาญต่างกันแต่ว่าเมื่อถึงวันกิยามาแล้วอรรถถามว่าวัยหนุ่มที่มีสติปัญญาความสามารถที่มีคุณใช้ไปในทางไหนถ้าทางที่ฮาลานผลตอบแทนได้ในวันกิยามา นะครับในภาคระวุธเนี่ยนะครับนาผมทวนนิดนึงจะหมดได้ขออีกนาทีเดียวนะครับอายาตข้ออานในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ดูอาเพิ่มหนึ่งบทนาะดูอาในอายาที่แปดสิบพี่น้องจะทําการงานไหนก็แล้วแต่ขอดูอาทนนี่ได้นะครับในอายาที่แปดสิบเริ่มต้นให้ดีจบให้ดีนะครับมีความสามารถแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจอากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆอายาที่แปดสิบเอ็ดครับวิธีการที่จะ นำเสนอนะเราทำหน้าที่นำเสนอความจริงพอให้ความเท็จความไม่ถูกต้องมันหายไปเองถ้าเราไปตั้งเป้าความจริงก็หมานนำเสนอจะตีเขาอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องปัญหามันไม่จบนำเสนอครับเมื่อความจริงปรากฏชัดเจนที่เหลือมันจะหายไปเองนะในอายะห์ที่แปดสิบสองก็อ่านเป็นชีฟาเป็นรักมะพี่น้องเคยใช่อย่างก็อ่านเป็นยารักษาโรค โรคทางจิตใจจิตวิญญาณโรคทางร่างกายก็รักษาได้พี่น้องเคยใช้ยาศูนตรนี้อย่งนะครับเป็นชีฟานะเป็นรักมาด้วยเป็นความเมตตาคุอาญเป็นความเมตตาครับฉะนั้นวิธีชื่นพี่น้องพยายามผูกกับคุอานตื่นนอนมาจะเป็นไปได้ครับหนึ่งหน้าถ้าเยอะไปครึ่งหน้าเยอะไปขอสักอายาสองอายาก็ยังดีแต่ผูกกัอ่านเนี่ย ถ้ากาุศลเป็นความเมตตาเราอยากให้ชีวิตของเราทุกเช้าอยู่ภายใต้ความเมตตาของเราวิธีการอื่นก็มีแต่ตรงที่สุดคือกุานอ่านปุ๊บได้บุญปั๊บพี่น้องนึกออกไหอ่านผิดได้บุญไหมพยายามอ่านได้บุญสองเท่าพี่น้องคิดดูนะแล้วก็รำมดอนที่จะผ่านมาที่จะมาถึงเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่นาะยังไม่ถึงอายหนของรอดเนี่ยนะครับผูกตัวเองเข้ากับกุศอ่านอาจจะไม่อ่านจบสาสิบยุคก็ได้แต่ต้องผูกสม่าเสมอทุกวันให้มีการอาร่านกุศอ่าน อายะห์ที่แปดสิบสามครับนะเนี้อมัดขอเลาะให้กับทุกคนนะครับแต่ถ้าวันไหนที่เราลืมเนี้อมัดขอเลาะอ้อเระดอวันอาบิญานีพี่ถ้าไม่อยากลืมไม่อยากออกห่างทําไมเอ่ยต้องทําการชุโกตต่อเลาะเช่นเดียวกันครับถ้าไม่อยากอย่าอูซาหมดหวังไม่รู้จะไปทางไหนจะแก้ยังไงต้องสอบัตต่อเลาะชุโกตรตกับสอบบัต เนื้อมาตรขอรอดเนี่ยเราต้องเชื่อไม่ถึงอารรอดเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราเป็นผู้ครับนะแล้วสุดท้ายครับอายาทที่แปดสิบสี่ก็อ่านบอกว่าทุกคนเนี่ยยะมันอะลาชากิลาติฮีมนุษย์มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปหมดไม่เหมือนกันสักคนผมกับพี่น้องก็ไม่เหมือนกันสักคนแต่ว่าณอัลลอฮ์และในวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะทราบดีที่สุดว่าพิจารณาตัดสินว่าใครคืออาดาสบีลาอยู่ในทางนามที่ถี่ เที่ยงตรงที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำไมเอ่ยไปสะสมสบียงในวันนี้เนี่ยจากความหลากหลายของวิถีชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นสบียงความดีเหมือนกันในวันอนังคารบวิน ล, ลาหิตาฟิวันธิดายะอัสสลามุอะไยกุ่มวะระมัตุลลอฮิวบะระกานุตลล